ฟังครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแล้วก็คิดเอาเองล้บรรลุผู้หญิงมากบ้ามากว่าผู้ชายนี่ตามสถิติต้องใส่ผู้หญิงลําบากมากอยากผลทุกมุ่งมั่นจะผลทุกให้ได้เลยผู้ชายมันก็เหลวไหลๆเลยหยอดใหญ่เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นปลาหันผู้หญิงมีความทุกข์เยอะที่หนุนมากคิดว่าบรรลุกันเอาละมาพร้อมๆกันละต่อไปนี้จะตรวจกันบ้าน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 หลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราต้องหลักให้แม่นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกาย <c oughs> เห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นแต่กายแต่ใจแต่ไม่เห็นกายใจแสดงไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวเช่นบางคนรู้ลมหายใจบางคนดูท้องผองยุบบางคนยกเท้ายั้งเท้าเห็นลมหายใจเห็นท้องเห็นเท้าไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นกายนี่แสดงไตรลักษณ์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 หนังสือที่อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินนะคือวิมุตติปฏิปทานะพิมพ์ไปสองครั้งเลยเลิกพิมพ์เลยเอาไว้ให้พวกเราแข็งแกร่งก่อนแล้วค่อยพิมพแจกใหม่ตอนนี้ C, อิอนทรีย์อ่อนๆยังเพิ่งไม่อ่านเลยนะมีให้เลือกหลายแบบนะแแต่เพราะฉะนั้นเราค่อยๆภาวนานะแลวความรู้ความเข้าใจจะมากขึ้นมากขึ้น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 ก็ อ, อยากจะถามหลวงพ่อจิตของผมนี่น่าจะเป็นดูของคุณดูกายไปเลยก็ได้เลยแล้วมันเห็นจิตเองแหละรู้กายไปด้วยนะเพราะจิตมันก็ยังมีทางตัณหาราคาอะไรยังก็มีอยู่แล้วดูกายไปแล้วก็มันจะรู้จิตเองอะปัจจุบันนี้ผมก็คือจะเดินจงกรมกับนั่งสมาธิด้วย อ, อ, อยากให้ซึมนั่งให้ดูซิพวกนั่งสมาธิ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 ก็รู้ว่ารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะไม่ต้องทําอะไรกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูเ้าทํางานไปเรื่อยจนวันนึงเห็นเลยกายทั้งกายทั้งใจมันทํางานทั้งมันเองนะ่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแถมทั้งกายทั้งใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เห็นจะมีตัวดีตัวพิเศษตรงไหนเลยเห็นได้อย่างนี้ถึงจะวิเศษที่สุดเลยจำไว้นะไม่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทำหรอกทุกข์นั่นแหละเป็นความจริงของพระอริยะ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 จิตยังกระจายออกไปกว้างๆรู้สึกไหมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่จิจตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองจริงอะ่ะแล้วมันรู้แล้วมันปล่งๆโ ล, ล, ล่งๆสบายแล้วมันพอใจในความสบายานะให้รู้ทันตรงนี้แหะตรงที่มันไปพอใจในความสบายแล้วภาวนาแล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วเราพอใจถ้าเราพอใจเราก็จะติดอยู่ตรงนี้เราพัฒนาต่อไปไม่ได้ให้รู้ทันว่าพอใจนะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันห้าเบอร์เจ็ดสีชมพูกลับก่อนว่าคุณเจ้าค่ะ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 ใจมันไม่คลิกรู้มันไม่คลิกใจเป็นไงรู้ว่าเป็นยั้นหัดดูอย่างนี้ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านก็ถามว่ยายังนูนี่ควรจะฝึกดูจิตอย่างเดียวเลยใช่ไมคะใช่ฟุ้งมากออกเราดูจิตไปเลยนะไม่ได้ติดส ม, มสถะหรอกแต่ฟุ้งก็บอกพี่เลี้ ย, ง, ยงอย่างนั้นเหมือนกันค่ะอ๋อ